ท่นวันที่เคารพค่ะมีคือรายการเซมส์นสนิส น, นานะคะผ่านไปสําหรับท่านม า, า, าร์คชาคาวโรแห่งวัดนาป่าพงลำลูกกาคลองสิทธหากใครติดตามการสนทนาทำขําวันเสราร์ที่เว็บไซต์วั w a t n a p com ตอนช่วงค่ำค่นะครับประมาณสักทุ่มคึ่งก็จะได้พบ ก, กับท่านมาร์คแล้วก็ท่าอาจารย์ของท่านก็คือพระอาจารย์ทุกฤทิ์โสติปโลห์ซึ่งมอบหนังสือผู้ทวจะนะให้กับพวกเรากัน วันละสามเล่มนี่แหละคะ่ะดิฉันเองก็ได้พบหลังจากที่ไม่ได้ชมมาหลายอาทิตย์เนี่ยว่าระยะหลังคําถามเข้ามามาจากต่างประเทศเทอยอะเลยนะคะเพราะฉะนั้นฟังธรรมไปก็ได้เรียนสาอังกฤษไปด้วยมาทาั้งนี้เรากําลังจะได้ไปพบกับพระอาจารย์อีกรูปหนึ่งนะคะซึ่งท่านก็มีโอกาสแสดงธรรมเป็นสารกริตรึเปล่บ่อยนะัก็คือพระพิบุร์ณอภิปุรนโอช่วงเปิดธรรมที่ถูกปิดด้วยพุทธวจนะคะ่ะกราบน้อมสักการะทั้งค่ะช่วยบานคะ่ะ ภาพภาษาอังกฤษของท่านที่วิทยุประเทศไทยก็ <K un> จะมีอยู่ทุกสัปดาห์ที่สามแล้วก็สัปดาห์ที่ห้าของเดือนนะคะคก็เรียกว่าต่อไปนี้ก็จะเป็นวันที่ยี่บเก้านี่แหละก็มีโอ้ใคร<ม>สนใจฟังกี่โมง น, นะคะนะกแปดโมงเช้าหลังคารพธงชาติแปดโมงเช้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยภาษาอังกฤษหรือว่าที่ radio Thailand ใช่ใชะคะ่ะสนใจอันนี้อ่ามาถึงเรื่องที่อจะถวายเป็นพุทธบูชา พุทธชียนตีท่านจะเลือกเรื่องอะไรดีคะวันนี้จะพูดถึงพระพุทธเจ้าเวลาสอนธรรมะเรื่องของมรแปดเนี่ยก็สอนเหมือนกับพระพุทธเจ้าองค์อื่นๆอเรื่องที่เหมือนกับพระพุทธเจ้าองค์อื่นเนี่ยนะมีอยู่สองสามเรื่องด้วยกันคือเรื่องมรแปดเนี่ยจะเหมือนกันที่พระเจ้าเป็นคนตัดเองเป็นคนตรัสเองนี่อันที่หนึ่งเรื่องที่สองก็คือเรื่องที่ตอนนั้นพระพุทธเจ้าพูดถึงสติที่ว่าจะสอนเรื่องสติปัฏฐานสี่เนี่ย สามบดีพรมก็มายืนยันมาโอ้นี่เหมือนพระเจ้าองค์ก่อนๆเลยพระเจ้าองค์ก่อนๆ ก, ก็สอนเรื่องสตินะองค์นี้ก็สอนเรื่องสติซึ่งสติอย่าะไรก็ตามมันก็อยู่ในเขาเรียกว่าสมาสติใช่ไหมซึ่ง <Okay. S 1> อยู่ในอริยามรรคมีองค์แเพราะฉะนั้นตรงนี้พระเจ้ายืนยันว่าเป็นรอยทางเก่าของพระพุทธเจ้าองค์อื่นๆเหมือนกันนะแล้วก็พรรวจรเจ้าองค์ต่อๆไปก็จะเป็นอย่างนี้เหมือนกันอ mm. แต่ก็จะคนละยุคคนละสมัยกันนะค่ะ okay. เพราะนรอยทางเก่าตรงนี้ถ้าเราอาศัยเดินอยู่เรื่อ ย, อยนะเราจะแก้ปัญหาอะไรต่างๆก็ที่เราที่เรามีในชีวิตคือสมมติว่าเรามีปัญหาได้ปัญหาใดปัญหาหนึ่งในชีวิตของเราอย่างเงี้ยนะเราก็ไปดูว่าคนที่เขาแก้มาแล้วเขาเป็นยังไงเราก็ไปเดินตามเขาแค่นี้ก็จบแก้ได้ ค, <ะ>ค่ะก็แปล ว, ว่าทางแก้เนี่ยเป็นอมะตะทางเลยต้องใช้คำนี้เป็นอมะตะวิธีถูกไหมคะใช่ขอให้เอามาใช้ก็แล้วกัน ประเด็นคือคนเขารู้อย่างเดียวแต่ไม่เอามาใช้ไงแล้วแล้วรู้แล้วนะัดเอาความรู้นี่ไปทิ่มแดงคนอื่นน่ยพวกนี้เป็นประยัติที่เป็นงูพิษเลยเลยคะและนี้ก็เป็นการถวายเป็นพุทธบูชาพระพุทธองค์ให้เราเห็นถึงสิ่งที่พระพุทธองค์ได้ตรัสรู้มาบอกสอนเวนัยศัตว์อย่างพวกเราทั้งหลายเนี่ยว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้มีเพียงพระองค์เดียวแล้วพระพุทธเจ้าทั้งหลายนั้นก็สอนเรื่องเดียวกันทั้งนั้นเลย เราก็ใช้รอยทางเก่าของท่านนี่แหละเพื่อจะได้แก้ปัญหาที่มันก็เป็นปัญหาเดิมนะคะท่านคะแกเจบตายใช่ไหมคะใช่ใช่มคะมันเป็นปัญหาอามาตะเหมือนกันก็ต้องแก้ได้ทางที่อามาตะค่ะท่านปบูญค่ะทีนี้ทดี่ฉันอยากจะลงรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องที่กล่าวเรียนสนทนาท่านเมื่อวานหลักธรรมที่จะช่วยให้ผู้ที่กำลังทาหน้าที่เรื่องปองดองอได้คลี่คลาย บรรยากาศไปสู่ความปลองดองให้เรียบร้อยที่สุดก็ใช้ธรรมะเข้าไปแล้วเมื่อวานท่านพูดถึงธรรมะสําหรับการคลายการผูกเวรใช่ไหมคะ่อยากให้ท่านทวนอีกครั้งได้ไหมคะว่าเรื่องผูกเวรกับเรื่องปลองดองมันเกี่ยวกันงเออคือว่าเราจะสมาคขี่กันได้นะคุณยมติวคือคนที่มันแตกกันเนี่ยเพราะว่ามันผูกเวรกันผูกเวรกันหมายความว่าเธอทําชั้นทีหนึ่งเนี่ย ฉันฉันไม่พอใจฉันจะต้องทําหาช่องในการจะจะทำคืนเธอณตรงนี้นะัคือผูกเวนอยู่จิตอย่างนี้คือจิตที่มีการผูกเวนผูกเวนตรงนี้เราก็จะไม่สบายใจละ่ะทีนี้เราเขาทําฉันคืนทีหนึ่งฉันต้องทําเขาคืนณนะอย่างน้อยทีหนึ่งหรือถ้าสองสามทีก็ยิ่งดีอันนี้คือผูกเวนแน่นอนมันก็จะไม่จบเนะื้อเรื่องก็จะไปอยู่เรื่อยๆนะมันแตกการแบ่งเป็นพักเป็นพวกมันไม่ใช่แค่สองพวกอย่างเดียวสมพวกสีพวกด้วยซ้ํา นะอันนี้คือการปลุกเวรแน่นอนอทีนี้การปูกเวรพระเจ้าเคยพูดถึงว่าแก้ด้วยตัวเองเนี่ยทายังไงนะคือแก้คนอื่นนี่ยกไปก่อนนะเรายังเรายังไม่ทราบคือเรายังไม่ได้พูดถึงตรงนี้เราพูดถึงแก้ตัวเองซะก่อนอะจะแก้การผูกเวรของจิตของเราเนี่ยไม่ให้จิตของเรามีการปลุกเวรเนี่ยต้องมีตัวช่วยนะตัวช่วยที่พระเจ้าได้พูดถึงนี้ก็มีอยู่5ตัวช่วยนะอันแรกก็คือว่าการที่ เราพูดความจริงเราพูดความจริงกันทําคือบอกว่าทําไม่ทําคือบอกไม่ทำํำนะรู้บอกว่ารู้ไม่รู้บอกไม่รู้เห็นบอกเห็นไม่ไม่เห็น <c oughs> บอกไม่เห็นอันนี้คือพูดความจริงนะไม่เป็นผู้ที่แกล้งกล่าวเ ท, ท็จให้ปิดต่อโลกนะอันที่2องคุณต้องมีความเพียรความเพียรในที่นี้นะไม่ใช่ว่าคุณเพียรจนอับเหนือตังน้าอะไรไม่ใช่ยังงั้นแต่ความเพียรเนี่ยเอาความชั่วเนี่ยออกจากจิตนะเอาความชั่วที่ยังไม่เข้ามายาให้มันเข้ามาเอาความดีที่ยังไม่เคยมีเอามาใส่เพิ่ม เอาความมีดีที่มีอยู่แล้วทําให้มันยิ่งมากขึ้นค <Okay. S 1> ่ะนะอันนี้คื อ, อความเพียนระบบนี้ที่พุช่าบอกน ะ, ะแล้วก็อันที่3คือต้องประพฤติพรหมจรรย์พฤติรหมจรรย์ น, นี่คุณต้องไปหลีกเลี่ยนปฏิบัติธรรมบ้างนะต้องไปหลีกเลี่นปฏิบัติธรรมปฏิบัติตามมาร์กบ้างอะไรบ้างคืออย่างที่คุณยมตี่ยวพูดไปเข้าคอสใช่ไหมอันนี้ก็จะทำให้ให้มันดีขึ้นมาได้ อ, อันที่4ี่พุชา่าพูดถึงการสวดมนต์ สวดมนต์ในที่นี้ก็คือสวดเพื่อที่จะให้จาของความของพระุทธเจ้าได้นะแล้วก็พอเปนอย่างนี้เราจําได้เราก็จะจิตเราเนี่ยมันจะน้อมไปในทางธรรมะไงมันจะน้อมไปในทางปล่อยวางน้อมไปในทางให้อภยัยน้อมไปในทางมีเมตตาน้อมไปในทางมีความอดทนนะเราทา<ง>ฟังธรรมะเรื่อยๆนะคือถ้าเราอดทนกันได้คือคนที่จะไม่ผูกเวเนี่ยเขาต้องอดทนได้นะ คุณจะอดทนได้นคุณก็ฟังทำมากๆนี่ก็มีส่วนทําให้เราอดทนได้เหมือนกันแล้วก็อันที่ห้นะด้วยการบริจาค ก, นะการให้การบริจาค ก, ก็จะจะช่วยทําให้ลดการผูกเวรสมมุติมีคนเอาของมาให้คุณโยมติ๋วอเงี้ยแม่เราก็จะรู้สึกดีใจว่าเออเขายัางอุสาห์เอาของมาให้เรานะก็จะมีเมตตามีความรักใคร่มีความเอ็นดูกันมากกว่าที่จะมีการผูกเวรกัน เราถึงเข้าใจว่าในอีกทางหนึ่งก็คือมันจะฝึกให้จิตของผู้ให้เนี่ยมันเป็นผู้ที่รู้จักที่จะที่จะให้แล้วความรู้สึกมันได้จากการให้นะคะใชใ่ติติปราโมทแล้วก็ว่าไปอือทีนี้ในส่วนของเรื่องที่พูดถึงสวดมนต์เร่งขอเข้าไปอยู่ตรงนี้อีกนิดหนึ่งนะคะได้เพราะว่าฟังที่ท่านพูดว่าการสวดมนต์เนี่ย คนฟังก็จะง ง, งๆช่าับอคเว่าเอ๊ะมันจะช่วยกันคลายการผูกเวรได้อย่างไรแล้วท่านาก็บอกว่าเป็นการให้จิตมันจะน้อมไปในทางเมตตาปล่อยวางอดทนได้ไื ม, มทั้งนี้ทั้งนั้นก็เป็นเหตุเนื่องมาจากว่าจำคำพระเช้าได้แล้วจิตเป็นมีปีติมีสมาธิไงท่านหมายความว่า สวดเป็นภาษาบาลีที่เราไม่เข้าใจก็ได้ด้วยง น, นะะเหร อ, อไม่ใช่นี่ <ขอ S 1> หมายถึงเพเชื่อว่าเป็นคําพูดเจ้าเจ้าอ่านี่คือต้องสวดแล้วต้องเข้าใจด้วยสิสวดเราต้องเข้าใจด้วยสวดล้วต้องอให้รู้ข้อมูลด้วยอย่างเนี้นะถึงจะถูกต้องนะคะเนี่ยค่ะที่ฉันกาลังจะบอกท่านฟังว่าที่ได้ขอให้ท่านพิบูลน์ได้พูดซ้ํำในเรื่องนี้อีกครั้งหนึ่งเนี่ยเพราะฉะนั้นเชื่อว่านะคะเมื่อเราคิดตามกันดีๆเนี่ย เราไปหวังแก้ที่คนอื่นก่อนเนี่ยนะคะบางครั้งมันอาจจะไม่สำเร็จแล้วก็ถ้าหากว่าเรายังพบว่าตัวเราเองจริงๆแล้วเนี่ยก็ยังปล่อยวางไม่ได้จริงๆลึกๆแล้วนะคะเราก็ลองมาช่วยกันที่ตัวของแต่ละคนเพราะว่ายิ่งถ้าเป็นปัญหาที่มันเกี่ยวข้องกับคนเป็นจำนวนมากอย่างเงี้ยนะคะเด็เข้าใจว่าความยึดเนี่ยมันก็ยังอยู่ในคนจำนวนมากเช่นเดียวกัน ดังนั้นเนี่ยลองมาฝึกกันดูซิเผื่อว่าบ้านเมืองที่เราอยู่เนี่ยมันจะคลี่คลายได้มาด้วยอภินิหารของธรรมะของพระพุทธองค์นะคะซึ่งไม่ใช่อภินิหารที่ผิดปกติเลยแต่เป็นอภินิหารชนิดพิเศษเขาเรียกว่าอะไรนะคะท่านคะ เ, ออเขาเรียกว่าอนุสาสนีปาฏิหาร อ, อนุสาสนีปาฏิหารนะคะ ม, มันจะเป็นปาฏิหารที่เกิดจากคาสอนของพระาศาสดาแล้วก็มันสําคัญมากเพราะ มันเน้นที่ทําในแต่ละบุคคลทำไมดังนั้นก็ต้องเผยแผ่่ทําข้อเนี้ยไปให้คนที่อยู่ใกล้เราแล้วก็เชิญชวนกันให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ดังนั้นเป็นรัฐบาลนี่ท่านจะทําจริงๆนะคะออืก็จะรณรงค์ให้คนลองดูซิเอาเหอะใช้มาทุกทางเลยนะครับในถิ่นที่เขานับถือาศาสนาพุทธเขาใช้เรื่องพวกนี้แต่ถิ่นที่เขานับถือาศาสนาอื่นไปสังเคราะห์ธรรมะของเขาออกมาที่ช่วยได้เรื่องนี้อ่าก็ก็สามารถทําได้ ะะมันก็จะช่วยได้หมดจริงๆแล้วเรื่องของการให้อาภการให้ทานความเพียรตรงเนี้ยนะมันก็ทำได้ทุกทุกคนอยู่แล้วทุกศาสนาน ะ, น ะ, ค, ะค่ะมันก็จะฝึกจิตฝึกใจกันไปใช่เพราะเราก็ไม่รู้จะช่วยได้อย่างไรนะคะบางทีมันมองแบบเหตุปัจจัยที่เขาวางๆกันอยู่เนี่ยยังมืดในในความรู้สึกของเราันมันมืดมันหาทางไม่ได้เราศรัทธาพระเจ้าเราหันมาหา วิธีของพระพุทธองค์ด้วยดีกว่าทีนี้น ค, ค่ะมันมีประเด็นหนึ่งคุณยมติวที่เราจะพูดถึงว่านี่คือตัวเราเองเราทําตัวเองเพื่อเราไม่ให้ปลูกเวนคนอื่นนะค่ะทีนี้ถ้าคนอื่นมันมาปลูกเวนเราเราจะทําังไอนั่นเลยสิค่ะเออทําไงไ อ, อที่ดูดูแล้วก็จะการแผ่เมตตาจะช่วยได้ให้เขาปลูกเวนกับเราน้อยลงนั่นคือันที่หนึ่งหรือว่าพระพุทธเจ้าเคยพูดถึงคนที่แตกกันเป็นสองฝ่ายนะ อ, อ่นะแล้วถ้าเราจะพยายามช่วยนี่นะ คือเราจะต้องคลายความขัดเคืองในทั้งสองฝ่ายนี้ให้ได้ก่อนนี่กำลังพูดถึงคนอื่นนะหรือเราเป็นบุคคลที่3เห็น2คนแตกอยู่มันไม่มีทางที่จ ะ, ะโค้งเข้าหากันได้เลยนะเราก็ต้องดูว่าอันที่1เราต้องคลายความขัดเคืองที่เกิดขึ้นในจิตของเราให้ได้ก่อนแตนะถ้าเราคลายไม่ได้เนี่ยคุณจะกลายเป็นพวกที่3ที่ไปขัดแย้งกับอีก2พวกนี้ในะอีกคนนึงจะเข้ามาแก้3พวกนี้ถ้าคุณยังคลายความขัดเคืองไม่ได้คุณจะเป็นพวกที่4ที่ขัดแยง้งอีก3พวกแรกอีก ค, คือเนี่ยค่ะมดชเชนเข้าใจว่าพวอที่สามนี่แหละที่อยากจะให้มีแค่สามพว ก, ก่อนกันลวกันนะคะจะได้ง่ายดีก็คือพวกที่เป็นคู่กรณีสองพวกอือไม่ได้ไปแบบว่าลุกขึ้นมาต่อตีกับอเขาซึ่งซึ่งหน้าแต่ว่าอาจจะเป็นพวกที่เชียร์อยู่ในใจด้วยนะคะถือว่าเร า, ายกเอาไปให้จาแน่ อ, อง่าง่ายแต่ที่นี้พวกที่สามเนี่ยค่ะ เพราะวู่ดที่สามนี่สำคัญมากนะคะแล้วยิ่งถ้าเป็นผู้ที่มีบทบาทในสังคมสูงคือสามารถที่จะพูดแล้วให้คนจำนวนมากได้ยินได้ทำให้เขาโ nope น้มน ah, ้าวไปตามความน่าเชื่อถือศรัทธาของความเป็นบุคคลที่น่าเชื่อถือเป็นสถาบันเป็นอะไรก็แล้วแต่นะคะที่น่าเชื่อถือเนี่ยก็ถ้าวางตัวเป็นบุคคลที่สามตามธรรมขอให้ท่านพูดอีก ได้ไหมคะย้ำอีกครั้งคือเราต้องคลายความขัดเคืองที่เกิดขึ้นในจิตของเราให้ได้เสก่อนนะพอคลายความขัดเคืองที่เกิดขึ้นในจิตของเราให้ได้แล้วเนี่ยนะในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วเนี่ยเราก็เข้าไปหาสักฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนั้นในสองฝ่ายนี้คนไหนพูดง่ายกว่ากันเราเข้าไปหาคนนั้นเราเข้าไปแล้วพูดกับเขายังไงบอกว่าเอการทะเลาะกันนี้ไม่ดีนะดูขนาดว่าพวกโจรเนี่ยก็ยังสามขีดกันได้ที่จะปล้นฆ่าเอาชิงทรัพย์แล้วคุณเป็นคนมีความรู้ทําไมจะสามขีดกันไม่ได้ นะอย่าผูกเวรนกันเลยนะเลิกกันซะแค่นี้นะเราก็จะสามาัคคีกลมเกลียวเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันได้คทีนีไ้ไอสองกลุ่มเนี่ยมันจะไม่ได้ใช่มีคนเดียวไงมันก็จะต้องมีหลายๆคนใช่ไหมที่แยกเป็นสองกลุ่มเพราะฉะนั้นคนไหนสักคนหนึ่งในสองกลุ่มนี้คนใดคนหนึ่งที่พูดง่ายที่สุดเราเข้าไปหาคนนั้นก่อนนะครัาพูดไว้ในลักษณะนี้แล้วพอคนนั้นกลายมาเป็นพวกเรา นั่นคือคือไม่ใช่เป็นไม่ใช่เป็นพวกที่สักพวกใดพวกหนึ่งหรือพวกที่สามนะแต่เป็นคนที่เข้าใจความหมายตรงนี้ว่าไม่ไม่เกลียดกันไม่แบ่งเป็นพวกกันดีนะล้วก็ ค, ค่อยไปหาอีกคนหนึ่งคนที่พูดง่ายคนต่อไปอย่างนี้นะค่ะก็คิดว่าเป็นธรรมะของพระพุทธองค์ก็น่าจะมีประโยชน์มากทีเดียวนะค ะ, ะขอให้นำเอาไปใช้กันก็นแล้วกัน มีอีกตรงหนึ่งคือสมมุติว่าถ้าเราพยายามทุกวิถีทางแล้วก็ยมติว๋ว เ, เราก็พยายามที่จะแก้การผูกเวรในจิตของเราเราแก้ได้ลนะเราคนอื่นเราแก้ไม่ได้เลยทําอะไรไก็ไม่ได้แผลไม่ตามมันก็ไม่ไปเราก็ชักชวนแล้วมันก็ไม่มา <Okay. S 1> ทํำยังไงอันนี้พระเจ้าก็ทําเป็นตัวอย่างคือภิกษุชาวมงกลสมบีเนี่ยโอ้ยพูดแล้วสอนแล้วนะชักชวนแล้วไม่มาพระเจ้าทําไงหนีออกเลยนะเป็นช้างมาตังคะตัวเดียวเที่ยวไปในปา่า เรื่องนี้เราไม่ยุ่งเลยช่างหัวมันคือที่พูดอย่างนี้หมายความว่าเราก็แยกเป็นฝ่ายเดียวตลอดคือถ้าเราไม่พูดถึงไม่ทําอะไรเดี๋ยวพวกนี้มันก็จืดจางไปเองนะ mm hmm. ก็จะเป็นลักษณะอย่างที่เกิดขึ้นกับชาวเมืองกุศลบีพี่สุชาวเมืองกุศลบีเนี่ยเขาก็สมาครสมัคคีกันเองพอผู้เจ้าไปแตนะ่พอเราเริ่มไม่สนใจมากขึ้นไม่สนใจมากขึ้นมีคนกลุ่มนี้มากขึ้นเนี่ยเรื่องนี้มันก็หายไปเองไม่ต้องพยายามทําอะไรมันก็หายไปแต่มันก็คงต้องใช้เวลาบ้างะ <laughs> นี่เป็นเหตุการณ์ครั้งพุทธกาลนะคะที่ท่านพิบูลน์ได้นำออากมาเป็นเป็นตัวอย่างประกอบกับคำสอนของพระาศาสดาซึ่งมีคำสอนอยู่ในนั้นด้วยเรียบร้อยเลยเนี่ยนะคะเพื่อที่จะให้ท่านหลายได้รู้ว่าวิธีการของพระพุทธองค์นั้นเป็นอย่างไรแล้วท่านก็ลองคิดตามกันนะคะว่าแยบยนต์แค่ไหน ว น, นี้ก็ได้ประโยชน์กันเยอะทีเดียวนะคะส่วนเรื่องของสุขวิหารกับสุขเวทนาชื่อมันสุกขๆเหมือนกันมันจะเหมือนหรือว่าจะต่างกันอย่างไรนั้นยกยอดไว้เป็นสัปดาห์หน้ากันแล้วกันนะคะอวันนี้กล่าบนิมสการขอบพระคุณท่านคุณปุณเป็นอย่างยิ่งค่ะเจนพานค่ะท่านฟังที่ครบค่ะและที่ผ่านไปนั้นก็คือพระพบูรนภิปุรโนนะคะจากวัดปาดอนหายโศดอนธานีสิ่งที่อิบยกมาเป็นการเปิดทรรที่ถูกปิดด้วยพุททวจนะก็คือนําเอาพุททวจนะเนี่ยมา ตอบคาถามถึงแม้ว่าบางครั้งจะไม่ได้เหมือนกับเป็นภาษาของพระพุทธองค์นะคะแต่นั่นแหละมีภาษาของพระพุทธองค์ซ่อนอยู่ในนั้นอยู่แล้วแล้วก็ทําให้ท่านเข้าใจกันง่ายมากขึ้นสําหรับรายการของเราค่ะพรุ่งนี้นะคะยังติดตามรับฟังกัได้อีกตอนตีห้าถึงตีห้าครึ่งก็ขอให้ท่านังหลายนะคะถ้าเห็นอะไรดีรู้แล้วอย่าเก็บไว้คนเดียวการให้ธรรมะเนี่ยถือว่าเป็นการให้ อย่างยิ่งเลยนะคะแล้วก็พุททวจนะเนะะี่ยค่ะจะทำให้ทุกอย่างคลี่คลายไปในทางที่ทำให้ชีวิตสวัสดีกันทั้งผู้ที่ปฏิบัติแล้วก็คนที่อยู่รอบข้างผู้ทวัสดีคะ่ะ